ครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงการอธิบายคาถาสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยโดยย่อนะเกราะว่าเป็นการแสดงโดยสรุปซึ่งโดยภาพพิสดาร น, นี้ก็คงจะได้ค่อยๆกล่าวกันโดยลำดับไปนี่ในหน้า12ข้อ5ซึ่งเป็นเนื้อหาเนื้อความที่เชื่อมต่อจาก ครั้งที่แล้วเนี่ยนะคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสตอบแก่เทวดาเนี่ยนคะาถานี้น่าจํานะคนที่จําโดยภาษาไทยได้ก็ดีหรือจําโดยภาษาบาลีได้ก็ยิ่งดีเห็นนะเพราะว่าเป็นคาถาเป็นแม่บทของการขยายพระธรรมในที่อื่นๆซึ่งมีแนวเดียวกันนี่ก็ถือว่า ขยายตามแนวนี้แหละนี่นะที่จริงก็มีแค่สองบรรทัดเองนะน่าจะจําได้กันในหน้าหน้าสิบสองนี่นะข้างบนนั่นแหละหน้าจํำได้ที่จริงสองบรรทัดนะเมื่อเอาบรรทัดยาวๆนะออแต่บรรทัดสั้นมันก็เลยตึงสามบรรทัดกว่าเชนทอนสเปนโยนี่นะเจนพานคาถานนี้น่าจําให้ได้นะ ที่ที่พระองค์ตรงตรัสว่าสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยนี่นะจิตตังปัญญาจะพาวายังอาตาปีนิปโกพิขุโสอิมังวิชาตาเยชะตังะชะตังก็ได้ชะตันติก็ได้นี่น ะ, ะหรือชะตังก็ได้อา่าที่แปลว่านระนโรเนี่ยนะนระสปัญโยผู้มีปัญญา สีเลปฏิธายะตั้งอยู่แล้วในศีลจิตตังปัญญัจะพาวายังเจริญจิตและปัญญาอยู่อาตาปีเป็นผู้มีความเพียร น, นิปโกมีความฉลาดภิกุเป็นภิกษุโสอิมังวิชาตาเยชะตังเขาจะพึงทางชัดนี้ได้ซึ่งโดยสรุปในพระคาถานั้นภิกษุนี้ตรัสเรียกว่าสปัญโย เนี่ยนะ ค, คือคนที่มีปัญญาเนี่ยนะที่เรียกว่าสปันโยนั้นด้วยปัญญาใดากิจที่ภิกษุนั้นพึงกระทำในปัญญานั้นไม่มีภิกษุคือผู้เห็นภายในสังสารวัตเนี่ยนะผู้ที่เห็นภายในสังสารวัตที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผลนิพพาน น, นะปัญญาที่เป็นติเหตุกะเนี่ยนะอันนี้ทำไม่ได้เลยเพราะเป็นของเก่ามาดี แต่ถ้าหากว่าของเราเป็นทวิเหตุหรือเป็นอเหตุุกะตอนนี้นะก็มีอยู่อย่างเดียวคือพยายามทํากุศลที่เป็นติเหตุกะประกอบด้วยปัญญาเพื่อที่จะให้ได้ปฏิสนธิที่มีปัญญาประกอบซะก่อนอพอมีปัญญาประกอบแล้วก็ไปบําเพ็ญเพียรเจริญกุศลด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมในชาตินี้ได้คนนั้นจะต้องมีปัญญาประกอบปัญญาอันนี้เป็นบุญเก่านะ คนไม่มีบุญนี้ไม่ได้ปฏิสนธิด้วยติเหตุผู้ที่ปฏิสนธิด้วยติเหตุเนี่ยนับจํานวนแล้วน้อยนะเมื่อเทียบกับอาเหตุตุกะเห็นไหมที่เป็นอาเหตุกกะนี่มากจริงๆเลยนะพวกอบายทั้งหลายนี่อาเหตุตุกกะอย่างเดียวมนุษย์ที่เป็นอาเหตุตุกะก็มีแต่ก็มนุษย์ที่เป็นอาเหตุตุกะก็ไม่มากนะทวิเหตุตุกะก็พอสมควรติเหตุกกะกับทวิเหตุกกะเนี่ยนะพอๆกันนะมั้ง แต่ว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมนั้นเฉพาะติเหตุกะคือมีปัญญาประกอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ปัญญาประกอบที่เกิดร่วมกับปฏิสนธิจิตนี้มาตอนนี้แก้ไขอะไรไม่ได้เห็นไหมแก้ไขอะไรไม่ได้มันไม่ต้องไปเจริญไม่ต้องอะไรสักอย่างถือว่ามีอยู่แล้วในนี้เป็นทุนเดิมเนาะทุนเดิมที่จะลงทุนประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานถ้าทุนเดิมอันนี้ไม่มีก็บรรลุไม่ได้แต่แต่เริ่มต้นได้เห็นไหม ู้ดพดถึงว่าติเหตุเนี่ยนะครับพอจะรู้ได้ไหมครับว่ามีทางที่จะพอรู้ักบางได้ไมั้ยครับที่กล่าวไว้ในคมภีร์ว่าถ้ายังไม่บรรลุนะครับถ้าบรรลุเรากล่าวได้เลยใช่ไหมครับเจริญการว่าผู้นี้ต้องติเหตุปฏิสนธิเจนิารแต่ถ้ายัางพวกเรานี่ไม่มีทางรู้เลยพิสูจน์เลยอนับว่ายากเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนที่ปฏิสนธิด้วยอเหติตกะก็มีความฉลาดมาก ยกตัวอย่างนะเดริชานบางบางอย่างเนี่ยนะเช่นนาคเนี่ยฉลาดมากนะนาคบางอย่างเนี่ยฉลาดมากที่เป็นนาคขราชบางทั้นเนี่ยนะยกตัวอย่างในในชาดกอย่างภูริทัตตาชาดกเนี่ยนาคนั้นมีความสามารถจนถึงกับตอบปัญหาเท้าส ก, กัดได้เพรนันอเหตุกราบ ป, ปฏิสนธิก็นับว่ามีความฉลาดหรือมนุษย์เนี่ยทวิเหตุหรือติเหตุเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ พอามายังนึกไม่ออกว่าจะเอาสูตรไหนมาเป็นเครื่องเทียบเคียงว่าคนนั้นเป็นทวิเหตุหรือเป็นติเหตเนี่ยนะเกิดมามีปัญญาประกอบหรือไม่มีปัญญาประกอบแต่ว่าส่วนทั่วไปแล้วคนที่มีปัญญาประกอบก็คือสา ม, มารถเรียนรู้อะไรด้วยได้เร็วแต่ก็ตรงนี้ก็เอาเป็นเกณฑ์มาตรฐานไม่ได้เพราะพระจุลบรรทกเนี่ยคาถาเนี่ยนะถ้า4ี่บรรทัดหรือสองบรรทัดที่เราว่าเมื่อกี้เนี่ยพระจุลบันทกใช้เวลา4เดือนยังท่องไม่จาเลย อันนี้ด้วยกรรมบางอย่างมามาเป็นอุปนิสัยเบียดไม่ให้ท่านทรงจำไว้ได้แต่ท่านปฏิสนธิด้วยติเหตุเพราะในชาตินั้นท่านบรรลุธรรมได้ท่านบรร ล, ลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแต่ที่ท่านท่องไม่จำนั้นเพราะกรรมบางอย่างที่เคยไปดูถูกดูแคลนคนอื่นน่ะนะคือมีพระเนงคที่ร่วมเรียนพระไตรปิฎกด้วยกันในศาสนาพระผู้มีประภาสองค์กร ก็ไปต่อว่านะไปดูหมิ่นดูแคลนเขาว่าเขาเป็นคนโง่เป็นคนไม่ฉลาดพูดให้พิกษุรูปหนึ่งเนี่ยท้อแท้เลิกเรียนไปเลยด้วยกรรมมานั้นท่านโง่โง่มาหลายชาติแนละ้งั้นเธออะไรนิดๆหน่อยๆก็จําไม่ได้ตอแม้แต่ชาติสุดท้ายเนี่ยท่องคาถาสองบรรทัดเนี่ยนะจำไม่ได้จนถึงกับพี่ชายเป็นพาตอาหารเนี่ยไล่ศึกเลยบอกเธอคงไม่ง่อเงยในาศาสนานี่หรอกแล้วงั้นไปศึกเธอแล้วงั้นนะพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ ฟังทำไม่นานก็บรุเป็นพระอรหันต์แต่ว่าตรงนี้ยังเอาเป็นเครื่องวัดว่าออคนที่ฟังอะไรรู้เร็ ว, แ ล, วแล้วจะเป็นติเหตุกะเสมอไปก็ไม่แน่เหมือนกันนะทันตรงนี้ไม่รู้จะเอาสูตรไหนมาเป็นเครื่องตรวจสอบแต่ก็ถึงเราจะเป็นอเหตุกะทวิเฮตุกะหรือติเหตุกะก็ตามกิจในการเจริญกุศลนี้มันก็เป็นภารกิจที่ที่จะต้องทาอยู่แล้วนะถ้าได้บรรลุชาตินี้ก็ถือว่าเป็น ตีเหตุไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ติเหตุก็ไม่แน่ว่าจะได้บรรลุเสมอไปอนะคนที่เป็นตีเหตุตุกะไม่ได้ปฏิไม่ได้บรรลุกันหมดทุกคนเพราะบางคนนี่ก็มีความปรารถนาบางอย่างกั้นเอาไว้นะเขาอย่างคนที่ตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะเป็นเอตะทะคฆะอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนพระพาหิยะทารุเจ ร, ริยะยังไงท่านก็ถูกเครื่องกัน้นคือท่านตั้งความปรารถนาเป็นเอตะทะคฆะด้านตรัสรูเร็ว เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นเขาขาดกันหลายองค์องค์อื่นๆนี่บรรลุกันหมดองค์พวกกลุ่มที่ตั้งความปรารถนาเป็นเอตทัคคะไม่ได้บรรลุสักอค์เลยนะอันนี้เพราะความปรารถนาเป็นเครื่องปิดกัน้นอย่างซูเมตบัณฑิตน่าจะฟังทําให้บรรลุนะแต่ก็ไม่เพรา ะ, ะตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องกัน้นกั้นตัวเองที่จะให้บรรลุมรรคผลแต่ก็ ตั้งความปรารถนาเพื่อช่วยสงเคราะห์สัพพะสัตถ์ทั้งหลาย น, นะก็เป็นลักษณะนี้นะอย่างบางองค์นี้ก็เป็นติเหตุกะแต่ทําตัวเองให้เป็นเครื่องตั้นไม่ให้บรรลุมรคลก็มีเหมือนพระสุทินเนี่ยนะถ้าหาว่าพระสุเินไม่เสพเมถุนธรรมท่านจะบรรลุเป็นพระอริยะหรือว่าเหมือนกับชานุโสนีพราม์เนี่ยนะถ้าภ า, าราบุตรแสดงธรรมจบตอนนั้นท่านก็จะเป็นพระอริยะหรือ เศรษฐีบุตรภร เ, เศรษฐีที่เป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งะนะที่พ่อแม่มีทรัพย์มากอันนั้นประโยควิบัติไม่ได้ศึกษามไม่ได้เล่าเรียนทั้งๆที่อุปนิสัยก็พอมีเนี่ยนะแต่อุอปนิสัยมีแต่ถ้าประโยค่าวิบัติตัวอย่างก็หมดสิทธิ์เหมือนกันยกตัวอย่างเหมือนมาเรียนธรรมะเนี่ยนะหลายคนที่เขามีความสา ม, มารถสูงๆเนี่ยนะซึ่งเขาเรียนเนี่ยคัมภีร์แค่เนี้ยเขาอ่านไม่กี่ครั้งเขา เขามีความสามารถทรงจําและบรรยายได้ด้วยแต่ว่าเขามีบางอย่างที่เป็นเครื่องกลางกั้นคือไม่ชอบแนวนี้เลยไอ้ไม่ชอบซะอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องกลางกั้นปกปิดเขาซะหมดเลยเห็นไหมดันั้นมิจฉาปณิธิเนี่ยทําให้เป็นเหตุให้ให้เสือ่อมแม้แต่ว่าตัวเองนี้มีอุปนิสัยแล้วเห็นไหมเว้นไว้แต่ว่าเป็นปัดฉิมพวิกษัตริย์เว้นแต่ว่าสัตว์ที่เกิดมาในภพสุดท้ายเนี่ยยังไงท่านก็ต้องตัดสรู้อย่างแน่นอนเห็นไหม แต่ถ้าธรรมดาแล้วก็ความเพียรความพยายามนั่นแหละเป็นกิจที่จะต้องควรบาเพญ็ญไม่ควรทอแท้ว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราก็มองชีวิตของเราเองในอดีตตลอดสายไม่ออกใช่ไหมใครจะรู้ว่าเด็กจันทานคนหนึ่งตอนหลังเจริญชานจนถึงกับว่าแทบจะเป็นราชาของราชาอีกครั้งหนึ่งคนทั้งแผ่นดินเนี่ยนับถือท่านทั้งหมดเลยเด็กจันทานน ะ, ะมาตังคะมาตังคะเนี่ยเป็นจันทานมาก่อน เป็นเด็กจันทานแต่ก็เป็นที่นับถือของพระราชามหาัท์ทั้งหมดเลยนะนี่นเด็กกันทานเดินเที่ยวขอทานเข้ากินเนี่ยใครจะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นมหาโพธิสัตว์หรือไม่ไนในขณะเดียวกันใครจะรู้ว่ามหาราชาผู้ยิ่งใหญ่นันะนะตอนหลังกลายเป็นคนโรคเรื้อนไปนะอย่างสุ ป, ปะุูท่ากุฏิเนี่ยนะอดีตชาติเป็นมหาราชานะแต่ตอนหลังก็เป็นที่เรื้อนเลย มันเอาแน่มันนอนไม่ได้นะสังสารวัตคือประโยคที่บอกว่านาระผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วนี่ถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระพิธรรมมานี่ก็อ่านแล้วก็จะแปลกๆเพราะว่านาระผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วจเจริญจิตและปัญญาอยู่นะมีปัญญาสองตัวใช่ไหมแต่ปัญญาตัวแรกนั้นเนี่ย ผู้ที่มาศึกษามาจะไม่มีทางรู้เลยว่าว่ามันเป็นปัญญาในในเรื่องของของปฏิสนธิจิตเป็นเหตุตรงนี้เนี่ยนะสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเนี่ยแม่นอยู่แล้วเห็นไหมซึ่งตรงนี้จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อธิบายเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะพูดกันอยู่แล้วในเรื่องว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเนี่ยนะโดยเหตุโดยผลในตรงนั้นในช่วงตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็จะมาต่อสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณในปฏิจจสมุปบาท เพราะนัปัญญาที่เป็นชาติวิบากอันนี้เนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างไม่ต้องกิดไปทําอะไรเข้าเลยเนาะเพราะปัญญานั้นสําเร็จแก่เธอแล้วด้วยอนุภาพแห่งตามเก่านั่นเทียวะบุญเก่านี้สําคัญนะบทเพกตปุญญาตานี้สําคัญมากเลยแต่ว่าอันพระโยคีนั้นพึงเป็นผู้มีปกติกระทําได้ติดต่อกันด้วยอํานาจแห่งวิรยิยะนะ คำว่าทำให้ติดต่อกันคือทำอะไรก็คือการเจริญภาวนาให้ต่อเนื่องกันไปและเป็นผู้มีปกติกระทำกิจด้วยสัมปชัญญะ น, นะการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องในขณะที่เจริญกุศลอย่างต่อเนื่องก็ทำด้วยความรอบรู้เหมือนกันนะทำด้วยสัมปชัญญะด้วยอำนาจแห่งปัญญา น, นะสัมปชัญญะด้วยอำนาจแห่งปัญญาก็คือปัญญาที่เป็นเครื่อง บริหารตนนั่นแหละที่ตรัสไว้ในคำว่าอาตาปีกับนิปโกคือเป็นผู้มีความเพียรและก็มีความฉลาด น, นะนี้เป็นเป็นคุณธรรมที่เป็นลำดับในการเจริญกุศลชั้นต้นเลยมีความเพียรพยายามทำอย่างติดต่อต่อไปก็คือมีปัญญาที่เป็นเครื่องบริหารดังนี้แล้วก็ตั้งอยู่ในศีล เจริญสมถะและวิปัสนาที่ตรัสไว้ด้วยอํานาจแห่งจิตและปัญญาชนิแลนนก็มาที่บายสรุปอีกนัยะหนึ่งในพระคาถานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงวิสุทธิมัชทางแห่งวิสุทธินี้ไว้ด้วยศีลสมาธิและปัญญาเป็นสําคัญในบรรดาวิสุทธิมัชฌหลายอย่างด้วยกันวิสุทธิมัชฌครั้งที่แล้วเรากล่าวไว้กี่อย่างนะวิสุทธิมัชฌกล่าวไว้6อย่างนะ ในในครั้งที่แล้วเนี่ยนะเฉพาะในคำภีวิสุทธิมัคกล่าวไว้5อย่างแล้วดีกาอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นนะที่ว่าวิสุทธิมัคข้อแรกก็คือวิปัสสนาเท่านั้นใช่ไหมวิสุทธิมัคที่2ก็คือเกี่ยวกับฌานและปัญญาวิสุทธิมัคข้อที่สก็เกี่ยวกับธรรมะมีกรรมเป็นต้นวิสุทธิมัคที่4ี่ก็คือเกี่ยวกับศีลปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญา วิสุทธิมรักในยะที่5ก็คือสติประธานสมมิประธานอิทธิบาทโพชงเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็ชื่อว่าวิสุทธิมรักเหมือนกันและแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยินดีในความไม่ประมาทก็เชื่อว่าวิสุทธิมรักเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะอยู่ในข้อที่4ี่เป็นวิสุทธิมรักประเภทที่4ในวิสุทธิมรัค56ประเภทนั้นก็คือเน้นไปที่ศีลสมาธิและปัญญาเป็นสําคัญ ก็ด้วยพระเทศนาเพียงเท่านี้นะนะพระธรรมคาสอนที่พระผู้มีพระภาคตรัสเท่านี้นะสามารถประชุมประชุมนะเท่ากับพระองค์เนี่ยได้ประกาศศิกขาสามเรียบร้อยแล้วนะศีเลปฏิทายนโรสปัญโยเนี่ยนะคาถาเนี่ยเท่ากับประกาศสิกขาสพระาศาสนามีความงามสมประการ อุปนิสัยแห่งคุณวิเศษมีความเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นต้นการเว้นส่วนสุดทั้งสองและการเสพข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางอุบาย9วล่วงพบมีอบายเป็นต้นการละกิเลสโดยอาการสามอย่างธรรมะอันเป็นปฏิปัติต่อวีติกมะกิเลสเป็นต้นการชำระสังกิเลส3อย่าง และเหตุแห่งความเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเท่ากับว่าคาถาว่าด้วยศีลสมาธิปัญญานะเท่ากับประชุมธรรมะได้เก้าหมวดด้วยกันหมวดที่หนึ่งว่าด้วยสิกขาสามานะเขียนไว้เลยนน้อตนะหนึ่งสิกขา3า ส, าสพระาศาสนามีความงามสามประการ 3. อุปนิสัยแห่งคุณวิเศษมีความเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นต้น 4. การเว้นส่วนสุดทั้งสองและการเสพข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลาง 5. อุบายเก้าล่วงพบมีอบายเป็นต้น 6. การละกิเลสโดยอาการสามอย่าง 7. ธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์ต่อวีติกมะกิเลสเป็นต้น 8. การชำระสังกิเลสสามอย่างและเเหตุแห่งความเป็นพระอริยบุคคล มีพระโสดาบันเป็นต้นทีนี้ในข้อที่1นึ่งท่านทั้งหมดเนี่ยนะเท่ากับ9หัวข้อเป็นหัวข้อใหญ่ที่จะขยายตามลําดับต่อไปนะเนี่ยเพราะฉะนั้นหัวข้อ9้าหัวข้อควรจำนะถ้าจําได้ถ้ามีบุญก็จำนะถ้าจําไม่ได้ก็ใช้ความเพียรนะแต่ถ้าของอาตมานะี่ยทำไงนุ้ยถ้าจะจําก็ดูเกิน10ครั้งขึ้นไปก็น่าจะจําได้แล้วมั้ง อย่างไเอ้าดูครั้งหนึ่งก็ได้บุญทีหนึ่งจะไปเหนื่อยทําอะไรเนาะแต่อย่างเอนเนี่ยขยันเนี่ยอย่างเพลงรังเพลงแล้วก็ร้องซ้ํซากซ้ำซากต่างหลายรอบก็ไม่เห็นเบื่อเลยนะธรรมะนี่ถ้าอ่านซ้ํายหลายครั้งกุศลจิตก็เกิดหลายๆครั้งเหมือนกันน ะ, ะทีนี้คําที่น่าสนใจในข้อความที่เป็นหัวข้อทั้งเก้าหัวข้อใหญ่เนี่ยนะเช่นคําว่าสิก ข, ขาก็เป็นถ้อยคําที่ควรสนใจนะ คำว่าศึกษานี้ขอบเขตแค่ไหนสิกขาฉะนั้นคำว่าสิกขาตรงนี้นี่ดีกาท่านอธิบายว่าชื่อว่าสิกขาด้วยอาจว่าควรศึกษาคือการเสพจนคุ้นศึกษานี่ศึกษาอย่างไรทําให้มันมากมากอะ่ะเสพจนคุ้นทําบ่อยๆเนี่ยแหละเรียกว่าศึกษาบุคคลเมื่อเสพจนคุ้นซึ่งธรรมะมีศีลเป็นต้นด้วยอํานาจความสังวรเป็นต้นเรียกว่าศึกษาธรรมะมีศีลเป็นต้น สังวรมากๆอันนี้เรียกว่าศีลสิกขาจิตตั้งมั่นมากๆเรียกว่าจิตตาศิขาเจริญวิปัสสนามากๆเรียกว่าปัญญาศิกขาเป็นต้นแต่คําว่าศิกขานะีตามคำภีปฏิสัมพิธามักศีลนิเทศศีลม ย, ยาญาณเนี่ยนะท่านอธิบายคําว่าศึกษาไว้ค่อนข้างกว้างยกตัวอย่างเมื่อพระโยคาวจรนึกถึงศิกขาสามนี้ชื่อว่าศึกษาขณะที่นึกถึงเนี่ยนะ นึกถึงเพื่อจะยังศิกษาแต่ละอย่างให้เกิดขึ้นเนี่ยนึกเพื่อจะให้ศึกศึกษาเกิดเนี่ยอย่างนี้ก็ชื่อว่าศึกษาด้วยเหมือนกันแน่เอ๊ะทำยังไงกุศลศีลจะเกิดนึกอย่างนี้บ่อยๆ อ, อันนี้ก็ชื่อว่าศิกษาด้วยต่อไปนะเมื่อรู้ก็ชื่อว่าศึกษาเขาบอกว่าเมื่อนึกถึงแล้วก็รู้อยู่ว่าศิกษาชื่อนี้อันนี้ศีลสิกษานะรู้จากลักษณะลักษณ ะ, ะเมื่อรู้เป็นต้นลักษณะนี้เขาชื่อว่าสิกษาด้วยชื่อว่าศึกษาด้วย หรือว่าเมื่อเห็นก็ชื่อว่าศึกษาเขาบอกว่าเมื่อรู้แล้วก็เห็นอยู่บ่อยๆเียนะก็เห็นมักมอบเห็นสอกฐานั้นบ่อยๆอย่างนี้ก็ชื่อว่าศึกษาหรือว่าเมื่อพิจารณาก็ชื่อว่าศึกษาครั้นเห็นแล้วก็พิจารณาเนื้อความที่เห็นแล้วน่อันนี้ก็ชื่อว่าศึกษาด้วยชื่อว่าศึกษาด้วยหรือเมื่ออธิษฐานจิตก็ชื่อว่าศึกษา เขาบอกว่าครั้นพิจารณาแล้วแม้ตั้งจิตกระทําให้ไม่หวั่นไหวในสิกขานั้นนั่นแหละก็ชื่อว่าศึกษาอธิษฐานให้จิตเนี่ยเป็นอย่างนั้นตั้งมั่นอยู่ในสิกขาเหล่านั้นนี่ก็ชื่อว่าสิกขาด้วยหรือการน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาน้อมใจด้วยศรัทธาในสิกขาเหล่านั้นเนี่ยนะก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อประคองความเพียรไว้ก็ชื่อว่าสิกขาสิกขาเมื่อตั้งสติไว้มั่นก็เชื่อว่า สิกขาเมื่อตั้งจิตไว้มั่นก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาก็ชื่อว่าสิกขาก็คืออบรมอินทรีย์ห้านั่นเองนะนะสัตทินทรีย์วิรยยิยทรีย์สตินทรีย์สมาทรีย์และปัญญทรีย์อะเพื่อให้สิกขาแต่ละอย่างพอกพูนบริบูรณ์ขึ้นอย่างนี้ก็ชื่อว่าสิกขาหรือศึกษา <c oughs> เมื่อรู้ยิง่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งก็ชื่อว่าสิกขาหรือศึกษา เมื่อกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อละธรรมะที่ควรละก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อเจริญธรรมะที่ควรเจริญก็ชื่อว่าศึกษาเพราะฉะนั้นท่านให้คำคำว่าศึกษาไว้15อัฏฐะด้วยกันนะน่าสนใจนะตามศีลนิเทศศีลมายาญาณ ที่จริงข้างหน้าเราก็จะเรียนถึงอยู่เหมือนกันคำว่าศีลสศิกปาเหล่านี้นะอ น, นาคตอันไม่ไกลนี้ก็คงได้เรียนกันถ้าไม่ขาดนะขาดก็ไม่เป็นไรเอาเทไปฟังเอา